บทพาชณี410กลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรพิกษุสําคัญว่าเป็นกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรชักชวนกระเดินทางไกลร่วมกันโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งต้องอบัตรพาจิตตีกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรพิสูจไม่แน่ใจชักชวนกระเดินทางไกลร่วมกันโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งต้องอบัตรทุกกฎกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรพิกษุสําคัญว่าไม่ใช่กลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจร ชักชวนกระเดินทางไปร่วมกันโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งไม่ต้องอบัตภิกษุชักชวนคนทั้งหลายไม่ได้ชักชวนภิกษุต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่กลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรภิกษุสําคัญว่ากลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่กลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกฎไม่ใช่กลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่กลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรไม่ต้องอบัต